ขนะฟังเทศให้จิตอยู่กับตัวไม่ต้องส่งไปที่ไหนให้รู้อยู่เฉพาะตัวเท่านั้นนม้แต่ผู้เทศก็ไม่ให้จิตส่งออกมามันก็เหมือนคนไม่อยู่บ้านเองจิตส่งออกมาข้างนอกความรู้สึกภายในด้อยลงไปให้เต็มเม็ดเตรมนี้ถ้าจิตอยู่กับที่ความรู้สึกภายในเป็นที่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 ในลักษณะนี้วันนี้ไปงานศบท่านจังกว่าพอไปปรมอันนี้จังทุกของหน้าตาที่นั่นอีกทีหนึ่งพอก้าวขึ้นไปสู่เมนท่านพอไปกราบเพราะมีควา ม, มท่านินสมกับท่านอาจจะร่วงเฟินท่านโดยมีเจตนาก็เป็นได้เะต้องประกาบขอขมาท่าน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 สับปะหนกโงงานเหมือนกับคนจ้หลับแต่มือนั้นทำงานอยู่โดยสม่ำเสมอแสดงว่าไม่หลับทันว่าหอกจนั้นถ้าลงมีลักษณะสับปะหนกแล้วมือมันตายไปแล้วแหละทันว่าาจามั่นอาจผู้กรมปรวามือมันตายเจ้าของกำลังสลบทันว่านี่นคือกำลังสับปะหนกนั่ น, หนแหละว่าเจ้าของกำลังสลบแต่มือมันตายไปแล้วทนว่า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 เป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่เราจะฝากเป็นสายตาได้ตลอดการทุกมือตลอดทบตลอดชาติในวัตะวลที่เราโบกเยืนกันมาอยูน่นี้ไม่มีอันใดที่จะเป็นเครื่องยึดด้วยความร่มเย็นจิตใจเหมือนทมนี่เลยทำโมหะเวรคติธรรมจรถ้าทมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมคำว่าพระธรรมรักษาคืออย่างไร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 พลอกอกให้บริสุทธิ์เต็มที่แล้วความขึ้นเนินไม่ต้องสงสัยความจอมป่าช้าจักจองป่าชาไม่ต้องสงสัยพบใดก็ตามก็คือพบแห่งป่าช้านั่นเองก่อนที่เป็นปาน่าช้ามันเป็นกองทุกข์ประเท่าไห่ป่าชาเป็นวาระจุดท้ายของกองทุกข์ในชาตินั้นเราขยันนักงหรือในการเกิดก ต, ตายโดยหาหลักฐานมา ไ, ได้หากฎเกณฑ์มาได้หาความแน่นอนไม่ไ ด, ไไ ด, ด, ไได้ถ้าเรามีความแน่นอนในการเกิดว่าต้องเกิดเป็นนั้นเกิดเป็นนี้ก็ยังพอทำเนาเพราะพบที่เราต้องการนั้นเป็นเป็นความสุข